แห่งบุคคลอันยอมตนเป็นศิษย์มาศึกษาเล่าเรียนชื่อว่าวีระนั้นด้วยอัตถว่ามีความเพียรมิได้ย่อหย่อนชื่อว่าสุระนั้นด้วยอัตถว่าองอาจปราศจากภัยมิได้ครั่นคร้ามในถ้ำกลางบริษัทชื่อว่าสีหะนั้นด้วยอัตถว่าเป็นที่ยำเกรงแก่นักป ร, ราชทั้งหลายอื่นดุดดังว่าพระยาไกรสอนมราชสี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 เพื่อนพระมจันทร์ท่านเรียกอัตมาภาพว่าหน้าเกษณจะมีสัตว์มีบุคคลในชื่อนั้นโดยประมัดหาไม่ได้สะเจพันเตสตโตนัตถิข้าแต่พระหน้าเกษณผู้จำเริญถ้าสัตว์และบุคคลไม่มีเหมือนดังคำของพระผู้เป็นเจ้าแล้วเช่นไหนเลยทา ย, ยกที่ได้ถวายจตุปัจจัยแก่พระน้าเกษณจะได้กุศลผลบุญเล่า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 ถาวายพระพรได้ยินถ้าพระผู้เป็นเจ้าได้ยินแล้วชื่อหน้าเกษนี่แหละก็ Ugh. จัดเข้าในบุคคลคือตัวพระผู้เป็นเจ้า offenses. พระผู้เป็นเจ้านี้ชื่อหน้าเกษหรือขอถวายพระพรหาไม่ได้เกษาผมพระผู้เป็นเจ้าหรือชื่อหน้าเกษขอถวายพระพรหาไม่ได้โลมาขนหรือชื่อหน้าเกษ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 คือเสมหะก็ดีปุบโพวาคือหนองก็ดีโลหิตังวาคือโลหิตก็ดีเสธังวาคือเหงื่อก็ดีเมธังวาคือมันก็ดีอัสววาคือน้ำตาก็ดีวสังวาคือมันเหลวก็ดีเขลังวาเขละก็ดีสิงคานิกลงวาคือน้ำมูกก็ดีละิกลงวาคือไขข้อก็ดี มุดต่างวาคือน้ำมูดก็ดีมัทกะงวาคือสมองศรีรษะก็ดีมัทลุงคังวามันในศรีรษะก็ดีเหล่านี้หรือชื่อว่าน่าเกษณ์หิมหาราชะดุรานะบพิธพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงธท ร, ร ม, มิกระราชาที่ราชผู้ประเสริฐส่วนทั้งปวงนี้จะได้ชื่อว่าน่าเกษณหาไม่ได้ขอถวายพระพร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 ชิวห า, าธาตุและรัศาธาตุประการหนึ่งกายาธาตุและโพธพธาตุประการหนึ่งมโนาธาตุประการหนึ่งจักขู่าธาตุที่ทรงจักษุให้เห็นรูปอันทรงตัวเป็นรูปหญิงรูปชายก็ดีโสตธาตุทรงโสตทั้งสองให้ได้ยินเสียงชื่อศัทธาธาตุศัทธาธาตุนี้จะเป็นเสียงนั้นคือสารพัดสัทธสัมเนียงทั้งปวงก็อาศัยทรงให้เป็นเสียง เสียงทั้งปวงมากระทบโสตทาต์คือหูทั้งสองก็โสตทา่าดนี้ทรงหูทั้งสองไวไม่ให้หนวกหนักจึงได้ยินคานาท่าดจมูกให้ดมกลิ่นมิให้เป็นหวัดและฤทธสีดวงเป็นต้นและกลิ่นนั้นคือท่าดทรงไว้ซึ่งคันท่าดก็ทรงตัวเองที่เหม็นก็ให้ทรงกลิ่นเหม็นที่หอมก็ให้ทรงกลิ่นหอม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 เป็นอรยุปปวาดคำช ก, กันแกพระนาคเสณองค์อรหันฉะนี้อายสมานาคเสโนฝ่ายพระนาคเสณผู้มีอายุอรหาเป็นองค์พระอรหันอันมีกรรมกงแห่งสังสารรจักอันจะชักให้สัตว์เกิดตายเวียนไหวในวัฏฏะสงสารประหารขาดฉลาดด้วยพระปฏิสัมพิธา มีพระปัญญาปลุกโปร่ปรงไปในปฏิสัมพิธาทั้งสี่คือธรรมะปฏิสัมพิธาแตกฉานไปในพระสูตรพระวินัยพระประมัตมมีหนำอีกปฏิเวทธรรมทางมักทางผลอัฏฐปฏิสัมพิธาฉลาดในอัฏฐกถาบาลีอัดแปลแก้ไขนิรุตติปฏิสัมพิธา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 ก็เสด็จด้วยพระบาทเปล่าชรอยระแหงหินกรวดอันใดปาเทรุชันติย่อเข้าที่ฝ่าพระบาทปวดประชวนแสบสามารถหรืออะไรนั้นจันดิโยจึงร้ายกาศพระราชองค์การพระพาตเล่าก็หยาบยามนี่แนี่อัตมาจะถามบบพิษพระราชสมภารเจ้าบบพิษพระราชสมภารเจ้าเสด็จมานี้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 ซึ่งมีพระราชโอการตรัสว่าเสด็จด้วยรถนั้นตรัสมั่นคงหรือเออข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโยมว่าโยมมาด้วยรถจริงพระน่าเกษมมีเถระปุชฉาถามว่าบ่พิษพระราชะสมภารบอกว่ามาด้วยรถนั้นอีโสงอนนั้นหรือชื่อว่ารถสมเด็จพระเจ้ามิลินนะรินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่า งอ น, นั้นจะได้ชื่อว่ารถหามิได้พระนาคเษศมีเถระบุชาสักถามต่อไปว่ามหาราชาดูราณะบพิทพระราชสมภารผู้ประเสริฐเพลานั้นหรือชื่อว่ารถพระเจ้ามิลินภูมิินทรทิเบตปฏิเสธว่าหามิได้พระนาคเษศมีเถระบุจชาสักถามต่อไปว่ า, ม, วามหาราชาดูราณะบพิทพระราชสมภารผู้ประเสริฐ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 ส่วนสมเด็จพระเจ้ามิลินปินสาระราชธานีจึงมีพระราชองค์การแก้ปัญหาว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าโยมจะได้เจราจามุสาวาทหาไม่ได้นามบัญญัตชื่อว่ารถนั้นอาศัยสัมภาระเครื่องรถพร้อมกันหมดคืองอนและจักเพล่าและคันชักรถและเรือนรถและเชือกรถ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 ยังสถิตมีพระชนอยู่นี้จะโปรดปรานตรัสสาธุการประธานที่ฐานานันนอนให้เป็นเอ ก, กบุคคลข้างแก้ปัญหาในการบัดนี้นามปัญหาที่หนึ่งจบเท่านี้